ปีอลองดูแล้วก็ดีลองดูแล้วก็ดีสุกบ้างทุกป้างแล้วทุกอย่างก็ดีลองดูแล้วก็ดีลองดูแล้วก็ ด, ด, กดีชีวิตชีวาดูมีค่าอย่างดีอยู่กับความรักแสงนักก็ลอง อ, อง่อนงนงอนงๆนอนแกร้อ น, อ น, อ น, อนอสนุกดีเมื่อยามคนรักมางอน จัดตี แแต่ผู้เคยแล้วถนอมไม่ยอมหนีก็เลยลองรักดูพนเมื่อต้นปีเอ๊ะลองดูแล้วก็ดีลองดูแล้วก็ ด, ด, กดีสุขบางทุกบ้างแล้วทุกอย่างก็ดีลองดูแล้วก็ดีลองดูแล้วก็ ด, ด, กดีชีวิตชีวาดูมีค่ายอย่างนี้อยู่กับความรักเซ็งนัก ก็ลองอ้อน ง, งอนงอนงอนแก่ร้อนสนุกดีเมื่อยามคนรักมางอและอออีเอะลอง